วันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม 2537 เป็นการบรรยายพระอภิธรรมเบื้องต้นเรื่องมหากุศล 89 โดย ก็ได้อธิบายอกุศลจิต 12 ซึ่งเป็นจิต 2 สืบคืออเหตุกจิต 18 ดวงจบลงไปแล้วด้วยในวันนี้ 24 ดวงเป็นกลุ่ม 3 ที่ท่านเรียกว่ากามาวจรโสภณจิต 24 อาจารย์โสภณจิต 24 นั้นก็ 8 ดวงมหาวิภาก 8 ดวงมหากิริยา 8 ดวงก็ 24 ก็มีเนื้อความที่ อ่ะที่เรียกว่ากามาวจรโสภณกิจ 24 คืออะไรตรงนี้นะผมจะ 8 ดวงนี้ 8 ที่ จะเรียกติดปากกันว่ามหากุศลจิต 8 ซึ่งคำนี้ถ้าๆไปแล้วเราก็มีความรู้สึกว่า เรเรเราหมายถึงกุศลระดับหนึ่งพวกหนึ่งที่ หรือใครที่ทํากุศลที่ได้ผลมากๆมีกําลังๆเป็นกุศลที่ยิ่งใหญ่เช่นถวายสรรณทาน ขอให้ได้ตั้งหลักทําความเป็นกุศลอย่างของพวกเราทั้งหลายที่ใครทํารักษาศีล <c oughs> คือฟังดูเหมือนกับว่ายิ่งใหญ่กว่ากุศลอื่นทั้งหมดกุศลขั้นมรรคขั้นผลเนี่ยว่าที่จริงแล้วน่าจะเรียกว่า อธิบายกว่าว่าอย่างชานกุศลเนี่ยเค้าเรียกมหาคตกุศลมหาคตะนั้นมหาคตะให้ดูมหาคตะ <c oughs> อคคคือมหาบวกคตนะฮะมหาบวกคตต่อกันเป็นมหากตแปลว่าอะไร ที่แปลว่าเข้าถึงความยิ่งใหญ่มหาเนี่ยมหคตจิตนั่นคือฌานจิตนะ เป็นการกล่าวถึงมหาด้วยอำนาจของกำลังความหมายในทางมหามีความหมายเดี๋ยวต้องอธิบายกันเยอะว่ามหากุศลจิตนั้นเรียกมหากุศลจิตนั้น มหาโดยกําลังมันแปลว่ามากๆมี 2 อย่างมากโดยปริมาณนะ อันนี้ก็เห็นได้ชัดไม่ว่าจะเป็นการฟังเทศน์ฟังธรรมแล้วบางคนฟังมากแต่ว่าได้กําลังความรู้น้อยบาง <c oughs> โดยศักยภาพแล้วถ้าถามว่าคืออย่างไรนั้นกุศลจิตในระดับนั้น มีอนุภาพมากจิตระดับนั้นอนุภาพมากจิตระดับนั้นนี่คือมีกําลังอย่างนี้มีอนุภาพมากเนี่ย แม้ว่าคนว่าคนคนจะเล็กในทางโลกนะแม้น่ะจะออกบวชด้วยสกุลชั้นต่ําแต่ นำให้เข้าถึงฐานะของบุคคลผู้ยิ่งเป็นของที่คู่กันแต่ๆเนี่ย ใหญ่จริงๆครับแม้ว่าคนๆนั้นจะเป็นคนผิวขาวผิวดําตัวเล็กตัวใหญ่เป็นคนที่มีการในเรือนเบี้ยแต่ว่าพอมาอบรมจิตให้ถึงถึงความ ของบุคคลนั้นนั้นเมื่อจิตใหญ่คนก็ใหญ่ในแง่ของธรรมะๆเนี่ยบางทีใช่ไม่ใช่มันไม่เข้าคู่กันเพราะเหตุว่าไอ้กระแสของความใหญ่ความ ไอ้ความอยากความเล็กที่ 3 ที่เรียกมากตากิฐนั้นเพราะธรรมสันดานการสื่อๆก็คือ พบอะไรเป็นพบที่ยิ่งใหญ่อะไรเป็นพบที่ยิ่งใหญ่ก็ตอบได้ว่าพรหมภูมิอ่ะพรหมภูมิถือเป็นพบที่ยิ่งใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในศาสนา นี่ความคิดอย่างของคนในอินเดียซึ่งก็มีส่วนแห่งความจริงอยู่ซึ่งเขาจะ ที่เรียกว่าว่าอรรคภพหรือภวะคภูมิภวะก็คือภพหรือภูมิอรรคก็คือยอดภวะคภูมิคือภูมิที่เป็นยอดภูมิมันมีใหญ่และยังมียอดของใหญ่อ่ะจองจิมก็ยอดของภูมิอื่นทั้งหมดแม้ภูมิต่างๆก็ไม่จําเป็นต้อง จะเรียกว่าภวคภูมิหรือนะนั่นๆมันโอ้โหทั้งเรียกว่าอายุก็ยืนมากชีวิตไว้ก็ไม่ต้อง มนุษย์เรานี่จะดำรงชีวิตอยู่ได้เป็นของยากแต่กับลมแล้วก็ดูเป็นของง่ายแต่ง่ายเนี่ยเขาได้ทําอะไรมาแล้วลงทุนมาเยอะแต่ว่า หรือกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ที่ดีขึ้นเสร็จแล้วก็อาจเนี่ยออกแรง นะแล้วแต่ว่าใครได้อย่างจันทร์ใหม่อันนี้ก็ดูแล้วก็คุ้ม ก็ยังถือว่าน้อยอยู่นั่นเองนะถึงแม้ว่า หักซื้อให้มันใหญ่มันล่มไปเลยถ้าไม่เรียกด้วยความซุปเปอร์อภิเอาฝรั่งมาใส่เข้าอีกเลยแข่งกันไม่รู้ โลกตะละอย่างนี้เท่ากับเป็นการเหยียดหรือคือพ้นจากโลกไม่ต้องมาเวียนว่าย นะไอ้คำยกย่องเนี่ยมันมีว่าใหญ่ก็ยกย่องสูง ความประเสริฐเลิศลอยอ่ะทีนี้มาพูดถึงมหากุศลเมื่อกล่าวจริงอยู่แม้ว่ามหากุศลนั้นจะมีแต่เราก็ ทุกวันเนี่ยบางวันเท่านั้นที่เรารู้สึกที่มีกําลังมากในความรู้สึกเรานะฮะระดับความ ทำไมจึงเรียกมหาตรงนี้ได้บอกไว้ในชื่อว่าผมอ่านข้อคือกุศลจิตที่เกิดได้อย่างกว้างขวางไพศาลมากกว้าง อันนั้นว่าอย่างนี้ทีนี้เกิดโดยบุญญกิริยามาก 10 บุญญกิริยาวัตถุ ฤกษ์เหตุแห่งการทำมีอ่าอปาจายนะมีโวยาวัจจะเอต้องแปลด้วยนะทานให้ แล้วก็วอยาวจาคือบำเพ็ญสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ ทานเนี่ยอ่าพูดถึงขาให้ผู้ให้ปฏิทานก่อนและอนุโมทนาตามแต่ พูดว่าบุญกิริยาวัตถุ 10 เนี่ยไม่มีข้อใดเลยครับที่ไม่ 10 เว้นมหาเว้นภาวนายังไม่พูดก่อนที่เหลือ 9 คือมหากุศล 8 เนี่ยเกิดเช่นทานเนี่ยคนทําฌานนะขณะฌานในจิต แล้ว 마음 กุศลจิตทําหน้าที่แทนเรียกว่าเป็นตัวอุดหนุนให้ได้แต่ว่าไม่ใช่เป็นตัวยื่น เมื่อก่อนมีกิเลสนี้มันไปกวนเวลาทําฌานพอได้เวลาทําให้ละคมกิเลสให้ทําให้บุคคลนั้นให้ทานได้ด้วยปราตัจฉะเป็นการเรียกว่ายก ว่าเดี๋ยวชั้นชะธรรมฌานชั้นชำฌานเยอะอภิอาจารย์ยังจะเนี่ยเขาจะทําอะไรกันแบบเรียกว่า อันนี้เป็นเรื่องเป็นเรื่องหนึ่งที่เป็นมุมอัศจรรย์ของธรรมะเนี่ยเป็นวัตถุของกุศล เป็นตัวฝึกหัดเป็นตัวเริ่มต้นได้เริ่มต้นได้ใช่มั้ยอ่ะมันเข้ามากวนนะหลับตาอยู่เนี่ย แต่เลวก็เป็นตัวคุยตางเป็นลูกน้องเป็นลูกมือก็อบรมไปไอ้มหากุศลก็ยกระดับ เมื่อยังไม่สําเร็จยังเป็นเจ้าหน้าที่ของมหากุศลจิตที่ทําสมาธิเหมือนกันลงมือ ก็ถ้าใครยังฟังชื่อญาณนึกภาพไม่ว่าเป็นส่วนเบื้อง ความสําเร็จที่ผ่านมาแต่ละลําดับก่อนหน้านั้นก็เหมือนมหากุศลซึ่งไม่ถือเป็นความสําเร็จที่ เราจะพูดว่าเป็นความจับช่ายคือพูดอย่างสำนวนดูถูกก็จับช่ายจริงๆครับกุศลรักนี่เริ่มพูดอย่างในแง่ของ อย่างเช่นเช่นฌานกุศลไปฟังธรรมเนี่ยฟังธรรมจะเป็นธรรมถูกต้องทำไม่ถูกต้องว่าคนมานั่งเข้าฌานในท่าม มหาเพราะมีขอบเขตแห่งอารมณ์แห่งการ 10 บุญญาธิริยานะนี่เราพูดอย่าง แม้แต่ทานในการให้สิ่งที่ไม่ควรให้เป็นบุญหรือถ้าอ้าว เวลาเราตอบอย่างเป็นกรณีเป็นคดีเราจะเอาไอ้ส่วนหลักเนี่ยมาตอบว่าไม่ เอาการงานนั้นว่าเป็นเรื่องของอะไรเป็นเจ้าของเป็นเจ้าเรือนเราก็ถือ คือเป็นความทุศีลข้อไหนเป็นความทุศีลข้อ 2 แล้วต้องลอมลมุลงอะไรอย่างนี้ไม่ได้ต้องบอก เซฟเปิดที่เก็บสัตว์สมมุติเรามีเงินอยู่ 1,000 บาทมันคิดก็เอา 750 ไปไอ้ความแบบขึ้นมาอย่างนี้ เอ้าบังเอิญไปปล้นโซดี้ไอ้เด็กลูกเค้ากําลังอ่อนอยู่ในห้องร้องแว้โจรก็สะดุ้งขึ้นเอาไว้ให้เป็นค่านมลูกเหมือนมั้งถึงต้องมันเคยมีของเคยอ่านเรื่องอย่างนี้นะมันไปปล้นแล้วไอ้ความคิดอย่างเรื่อง ก็เข้าเล่าไว้ในหนังสือเก่าๆนะอย่างนี้เป็นบุญแต่ว่าจะ ที่มันเป็นอกุศลไอ้ตัวเนี้ยเป็นเป็นเรื่องสําคัญ 2 ต่ออันที่ 2 นี่ผมมหาที่ว่า การเกิดเนี่ยกว้างขวางอย่างข้อที่ว่าเป็นธรรมเป็นจิตที่มีความยิ่ง เป็นเหมือนๆกันคนที่ได้ฌานนะเป็นอัปนาว่าสินค้ามีมาตรฐานเลยว่าคนๆนี้ได้ฌานข่มนิพพาน 5 พลนา มันก็น้อยอย่างเช่นคนที่มีอินทรีย์ กุศลของเรามันขึ้นขึ้นลงๆอย่างน่าปวดหัวแม้ว่าเราจะไปทําบุญปั๊บทุกทีไม่ มีความเปลี่ยนแปลงแปรปรวนซึ่งผิดกับคนเข้าฌานคนเข้าฌานเนี่ยเมื่อเข้าแล้วตั้งแต่แก่กแรกถึงแก่สุดท้ายเสมอกันทุกประการนี่เพราะนั้นเวลาเราทําทานเอาละแล้วไม่พูดว่า คนฟังนี่คือความหลากหลายดีไม่ดีไม่เท่ากันคนปฏิบัติธรรมอย่างระดับก็ไม่เท่ากันนี่คือความหลากหลายดี เอกัตตสัญญาวังภูเหมอว่ากายจะต่างกันก็ต่างคือต้องคุ้นสีสันแตกต่างแต่ว่ามองอย่างผัดๆแล้ว อย่างนี้นี้เพราะเรานั้นถ้าถามว่าทําไมถึงแตกต่างเนี่ยเราจะตอบได้เลยเพราะเราสําเร็จจากมหากุศลเพราะมันเพราะกุศลนี้มันเป็นมหาเราก็เลย มันเปลี่ยนแปลงไปตามกุศลชนิดที่มาทําให้เราเกิดในภพนั้นชาตินั้นนี่พูดถึง เหมือนกับไข่ครับพรหมพรหมนี่คงเส้นคงวางคือถ้าเห 3 ปีความเฮงน้อยลงหยอดเห เพราะมันจะอันนี้ก็เป็นเหตุทําให้เอ่อพวกที่ทําฌานนมไม้นะ อย่างนี้ก็บอกว่าอย่างในบางประเทศต่างประเทศบริเวณข้างหลังเนี่ยอะไร 20 ปีโปรไปอีกก็เมื่อ 10 ปี 20 ปีเนี่ยยังใช้ 10 ปีเนี่ยหลงเอ๊ะมัน ในถนนเนี่ยเมื่อก่อนต้นจางจุหลีนะฮะรถราวิ่งกันถึง 2 เลยไอ้พูดอย่างแบบความคิดอย่าง ท้องไร่ท้องนาไร่ๆนะอย่างจังๆปุ๋ยเกียบเนี่ยมันอะไรอาวรณ์เมื่อก่อนเคยเป็นอย่างดีไม่ดีแต่อีกความคิดหนึ่งคือให้เกิดความหมายพิจารณา ในไอ้สิ่งเหล่านี้สังขารที่มันไม่เที่ยงแปรปรวนอย่างแม้จะพูดถึงอดีตที่ผ่านมาเกิดจากนี้ไปสู่จาก<ด> ที่ผมยกให้เห็นเนี่ยคือเรื่องฐานอย่างเดียวแต่แต่เรื่องบุญกิริยานะแสดงธรรมกับฟังธรรมใคร แต่นี่มีหลักรับรองบอกว่าผู้ใดที่ทํากุศลแล้วไม่ชวนผู้อื่นๆใน ท่านผู้แสดงธรรมเนี่ยก็คือผู้ที่ได้ศึกษาธรรมะแล้วแล้วก็เห็น ที่เลือดกุศลนั้นเพราะว่าเป็นกุศลที่เอ่อให้วิบากมากให้วิบากมากคําว่าให้วิบากมากตรงนี้ถ้าจะเอาว่ากันเยอะล่ะแต่พูดเอาเฉพาะตรง ถ้าเป็นฌานกุศลหรือโลกุตระกุศลเนี่ยโลกุตระกุศลนั้นให้ผลน้อยหรือให้ผลมากอย่างนี้ต้องแบ่งความคิดออก ให้ผลเอ่อบุญให้ผลให้ผลมัน 2 2 อย่างนำอ่านำเกิดคือปฏิสนธิจารกับวัฏฏิกาลเราทำบุญแล้วอยากจะให้ผลนำเกิดใช่ นะหรือถ้ายังไม่ตายยังเป็นเป็นมนุษย์อยู่ตัวได้ นี่เราก็เลยนึกไม่ออกอ่ะหน้าตาก็จะเหมือนๆกันแต่มรรคไม่ให้ผลเป็นรูปให้ผลก่อภพก่อชาติ ลาเสฆาบุคคลไม่ยืดเยื้อเลยกลายเป็นว่าการที่โลกุตตระกุศลให้ผลน้อยแหละเป็น กุศลนั้นเป็นเลิศเท่านั้นเราชอบมั้ยฮะเราชอบอย่างเราชอบแล้วมาเราต้องบอกมึงชอบยังไงไม่ชอบเราก็ต้องบอกชอบไปก่อนเดี๋ยว หลายอสงไขยแสนกลับเลยแหมดีใจอยากจะทําบุญนั้นเหลือเกินเวลาโฆษณาบอกนี่เชิญนะครับ ทำให้เราติดบุญติดผลของบุญก็เลยเดินตะคุปผลบุญไปเรื่อยๆก็เลยความทุกข์นี่อ่าอย่างนี้เรียกว่าเป็นเรื่อง มันติดเนื่องไปเป็นอปาราปะริยะเวทเนียกรรมอปาราปะริยะเวทเนียกรรมเนี่ยไม่ ไอ้ขนบุญผลบาปยืดเยื้อเนี่ยครับขนบุญยืดเยื้อเนี่ยคือบุญมหากุศลบาปก็ยืดเยื้อเหมือนกันนะแต่นี้เราไม่พูดบาปอ่ะบุญกับบาปน่ะยืดเยื้อบาปเออ เรียนไว้แต่เกิดอยู่ก็ยังพอเป็นประโยชน์อยู่นะเพราะฉะนั้นเวลาเวลาเราคิดถึงเรื่องผลบุญต้องคิดคิดอย่างนี้ถึงจะถูกคิดอย่างคติทางศาสนาคือท่านคิดอย่างอย่างคนที่ติดบุญ <laughs> แล้วไม่ต้องเข้านิพพานกันนะเนี่ยแค่เราก็คิดอย่างเราแต่ว่าถ้าคิดอย่างเราทําบุญทํากุศลเนี่ยต้องคิดว่า เป็นลูกน้องถ้าว่าเราใช้ดีเนี่ยครับควบคุมดีใช้ดีจะเป็น <ม. S 1> อะไรท่านก็ไม่เอาสักอย่างเดียวมือท่านก็ไม่อ่อนทุกอย่างอย่างทุกเรื่องอะไรที่ท่านรู้เป็นเถือเป็น <c oughs> <c oughs> ที่เรายังโลกบุญงมว่าเราเนี่ยเราคิดอย่างนี้เราเราอธิบายกับคนที่เขาบอกว่าอย่างโลภบุญอย่างเพลินบุญอยู่ ปุดหนุนมรรคปุดหนุนนิพพานะใช่มั้ยกามวจรคือพอเดี๋ยว สแกเข้ามาหาว่าคือถ้าเป็นไม่มีการลดระดับอย่างเช่นว่าคนที่ได้เวลา ประกอบด้วยองค์ 5 เหมือนกันเจตสิกเท่ากันเป๊ะเลยอารมณ์ที่ฌานนั้นแท้ก็ติดไปในเช่นทํากุศลฟังธรรมแต่เวลามัน mm hmm. ไม่มีเสียงฟังธรรมไปปรากฏในวิบากเกิดมันก็จะมีอารมณ์ติดอยู่ในนั้นนะแต่พวกฌานน่ะส่วนหนึ่งเป็น เหมือนกับตัวแบบพิมพ์กับไอ้ลูกพิมพ์ที่พิมพ์ออกมาจาก uhm. มหากุศลเราเนี่ยเวลาส่งผลแล้วมันให้ผลเหมือนตัวให้ผลคือจิตที่เหมือนตัวอารมณ์เหมือนว่าแล้วนะอารมณ์อาจจะไปสวยอารมณ์ ที่เกิดจากอารมณ์อื่นนี่คือความไม่แน่แน่นของความกว้างเป็นมรรคกุศลและความหลากหลายในทางนี้ที เวลาส่งขนเนี่ยมหากุศลหรือกามาวจรกุศลนั้นอย่างเช่นให้ผลเป็น แล้วก็ให้ผลเป็นอเหตุกะก็ได้เป็น ที่ในแง่นี้น่ะมองในแง่ดีก็ดีในแง่ที่ว่า บริจาคค่ายาบํารุงดวงตาละถามร่างไปหา อยากเห็นรูปดีเนี่ยมันเสร็จๆนะจักขุวิญญาณเกิดจักขุวิญญาณเป็นเหตุกับเดี๋ยวก็เลิกเห็นเดี๋ยวก็ไม่ได้เห็น เป็นหลักยืนไว้อย่างนี้เนี่ยเป็นวิบากหลักๆที่ได้จากมากุศล ปัญหาไกลตัวเจริญเจ้าเราให้ก่อนความสัมพันธ์แก่ปัญหาไกลๆจังๆเราเออท่านเราไปสร้าง บอกมาที่นี่แต่ทุกวันอาทิตย์เราจะมีแจกข้าวสารวันละ 1, 1 ถุงคนมากันเยอะบอกมาๆให้ๆเลย อ่ามหากุศลเนี่ยมันให้ผลได้หลากหลายอย่างนี้มันก็มีดีในแง่ที่ว่าทําให้เราเนี่ย เห็นแต่ไม่ดีนี่กาหม้าจอมมันก็มีเอาตรงนั้นเป็นหลักเท่านั้นเองอ่ะๆถ้าเราคิดในแง่ของฌานแล้วเค้าเรียกเค้านั่งละตาความสุขอันเป็นภายในนะอันนี้คือ ไอ้ในดูได้รู้ได้เห็นนั้นพวกอเหตุกกุศลวิบากที่เราได้พูดมา จนครบไปด้วยทั้งกี่ข้อแล้วอย่างหนึ่งนะที่ว่ามากก็คือเพราะเป็น รวมไปถึงสัตว์นรกเรียกทุกขติบุคคลหมดผู้เกิดในทุกขติเป็นมนุษย์บุคคลที่เป็นปุถุชนบุคคลเป็นฌานบุคคลก็มีเป็นกามภูมิคนเจ้าบ้านทั่วไปก็มี นะทีอาปมหาที่แจ่มแบ่งโดยบุคคลได้ ได้อย่างชนิดที่เรียกว่าเราเห็นเห็นตัวอย่างกันเยอะเลยทีเดียวนั้นน่ะสระบ้านตายที่ใส่บาดทุกวัน แต่ถ้าเขามาอย่างธรรมดาเนี่ยให้ดีแล้วนั่นสุนัขบ้านมีโอกาสนะที่ได้ๆที่แต่ที่เป็นมัคคโตวัดมัคคทายกวัดเอาไปเกิดๆเนี่ย ทีมก็มาคือไอ้เป็นคนน่ะอยู่กับวัดแล้วมันติดการบิดเล่น ถ้าเป็นอบายภูมิมันยากและง่ายกว่าการมาโดยลําดับของความ แต่ว่ายากครับว่ายากครับนี่ถึงเป็นโอกาสที่น่าเสียดายอย่างเรา ฟังเทศน์ฟังธรรมไหว้พระไหว้อาจารย์แต่แต่เราก็อาจจะมีทางออกเจริญพรนะแต่อบายสัตว์เนี่ยเค้าไม่มีทาง เลยไม่มีกิจกระจายจะทําแล้วคนจะมา